เมื่อวันพฤหัสนะส่งอาจารย์ไปประชุมวิ ย, ยาวัจกรมีเรียกประชุมวันเราได้มตรฐานทั้งหมดนะไม่มีปัญหาอาจารย์ผู้เกง่งเป็นวิ ย, ยาัจกร เก่งเรื่องการเงินเรื่องอะไรอย่างงี้หลวงพ่อเลือกคนมาเหมาะเราจะไม่ทำมาหากินะให้ให้เมียเลี้ยงอยู่เน้ะมีเวลาเยอะมาทุ่มเทสอนคนจีนสอนอะไรทำประโยชน์เยอะนะเลือกเสียสละผลประโยชน์ตัวเอง ว่าแต่เมื่อไหรเช้าสององค์นี้ไปตั้งหน้าโบสถ์ด้านซ้ายนีย่มาฝากไว้นานแล้วพวกเราดูแล้วอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะมุมที่เราดูถ้าไปตั้งที่โบสถ์แล้วจะสวยกว่านี้อยู่ที่มุม โอ้นั้นยอดสั้นๆนะดูแปลกไหมสมัยสั้นชุดจนะูเดี๋ยวพอไปตั้งแล้วสวยยาองไงสวยไม่สวยมันอยู่ที่ตาตามันเห็นใจมันชอบก็สวยผู้หญิงบางคนน่าเกลียดจะตายไปก็ยังมีคนดูว่าเขาสวยนะ คนนี้สวยมากเลยคนตางามไม่มีใครเหมือนอที่ที่มองนะเงินเรื่องความสวยอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความรู้สึกไม่ใช่ความจริงสิ่งที่ตาเรามองเห็นไม่ใช่รูปที่สวยหรือรูปที่น่าเกลียดสิ่งที่ตาเรามองเห็นคือสีเท่านั้นเอง แสงที่สะท้อนเข้าตาเราเป็นสีต่างๆอย่างพระพุทธรูปมีสีทองสะท้อนเข้าตาเรามีขอบเขตของสีทองเลยเป็นรูปร่างเป็นองค์พระขึ้นมาเห้ดูให้ดีสิ่งที่ตาเรามองเห็นก็แค่รูปหรือแค่สีสีจะเป็นรูปชนิดหนึ่งนะใน28รูป สิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราเนี่ยมีรูปยี่สิบดอย่างมีจิตหนึ่งมีเจตสิกอีกสิ่งที่ประกอบเป็จิตอีกห้าสิบสองแต่สิ่งที่ตาเราเห็นเนี่ยเป็นรูปหนึ่งรูปเท่านั้นคือสีภาษาบาลีเรียกว่าวันณรูปไม่ใช่วันณโรคนะวันณรูปวันณนะคือสีสันวันณนะ อย่ยงเราลองมองมือตัวเองลองมองดูทำไมเราเห็นเป็นรูปมือเพราะสีนะที่เป็นมือเนี่ยมันตัดกับสีข้างหลั ง, นะงสีพื้นเนียมันดำดำเอามือไปวางอย่างนี้นะเทียบก็เป็นรูปร่างอย่างนี้ขึ้นมานะสิ่งที่ตา ม, มองเห็นก็คือสี สิ่งที่หูได้ยินนะคือเสียงเสียงจะเพราะเสียงจะไม่เพราะไอ้นั้นเป็นความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างถ้าคนโบราณรุ่นหลวงพ่อนักร้องเนี่ยต้องร้องชัดเสียงใสไม่มีเครื่องดนตรีก็ร้องได้บางคนร้องเพลงนะจนวงดนตรีล่มเลยเหลือเธอร้องอยู่คนเดียว มีนะเคยได้ยินชื่อรวงทองไหมเคยเคยได้ยินชื่อรวงทองยกมือซิแก่ <laughs> <c oughs> เครื่องพิสูจน์เลยรวงทองเนี่ยเสียงเธอเนี่ยทะลุทะลวงมากยอดเยี่ยมมากเลยร้องแล้วไม่สนใจจังหวะไม่สนใจอะไรเลยนะวงสุนทรภพรเล่นตามล่มเลย ในที่สุดได้เสร็จตีจังหวะก็ไม่ถูกแล้วนะเนี่ยนักร้องแต่ก่อนเสียงดีงจริงจริงแล้วตอนก่อนหลวงพ่อจะออกมาบวชเนี่ยเริ่มมีนักร้องอีกแบบหนึ่งขึ้นมาเสียงแหบแบใครเคยได้ยินหรือได้ฟังสีสไลด์ไหมเสียงเธอแหบแหบถ้าสีสไลด์เนี่ยพวกกลางกลางคนนะ <c oughs> แต่มันถึงนักร้องรุ่นนี้หลวงพ่อสารภาพตามตรงเลยนั่งรถไปเลยไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะได้ยินเขาเปิดเพลงสมัยนี้นะหลวงพ่อฟังไม่ออกไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดอะไรนะักร้องโ อ, โ อ, โ อ, โอ้ใครเหยียบหางมันฟังไม่ออกจริงๆนะไม่ใช่แกล้งนะเราก็เลยสำนึกตัวเราแก่เกินไปแล้วไม่ใช่เขาไม่ดีนะ เราไม่ดีพอที่จะอยู่กับเขานะงั้นสิ่งที่หูได้ยินนะอย่างเนี้ยชอบอย่างงี้ไม่ชอบเลยนะชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของจิตทํางานต่อแต่สิ่งที่หูได้ยินจริงๆคือเสียงเท่านั้นเองเสียงสูงสู ง, สงต่ําๆเสียงทุ้มเสียงแหลมอะไรเงี้ยนะสิ่งที่จมูกได้กลิน่นะสิ่งที่จมูกได้กลิน่นนะ ก็คือเป็นรูปชนิดหนึ่งนะตัวกลิ่นเป็นรูปอีกอย่างหนึ่งตัวเสียงก็เป็นรูปอีกชนิดหนึ่งตัวกล <transc> <Hardy> ิ่น <pot> ก็เ <ástico> ป็นรูปอีกชนิดหนึ่งรูปกลิ่นก็คือมีกลิ่นอย่างน้นอย่างนี้ส่วนกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นเนียคนให้ค่าเข้าไปอย่างบางคนนะได้กลิ่นเหนื่อยรู้สึกเหม็นเหม็นยังกระ่วมแตกนะ อีกคนหนึ่งได้กลิ่นแล้วหอมชื่นใจคนหนึ่งได้กลิ่นทุเรียนเนี่ยน้ำลายไหลเลยนะอีกคนหนึ่งได้กลิ่นแล้วสะอีสเยียนอีกเนี่ยไม่มีบุญชาติก่อนไม่เคยเอาทุเรียนใส่บาทรนะพอเห็นได้กลิ่นทุเรียนอ้อหนะเหมือนผีถูกน้ำมนเลยนะเ <laughs> นี่ยที่ได้กลิ่นแล้วชอบไม่ชอบเลไรเนะี่ยมันเป็นความปรุงของจิตที่หลัง เป็นการทำงานของจิตที่หลังจมูกได้กลิ่นนะลิ้นกระทบรถรสอร่อยรสไม่อร่อยถามแต่ละคนสิอร่อยไม่เหมือนกันนะอย่างนี้อร่อยสุดยอดเลยเรากินแล้วสิอิสเอียนแทบตายเลยอย่างพระหลวงพ่อเนี่ยอายุน้อยชอบกินแบบผักขมอบชีสเราเห็นอะไรว่าเละเลอ่ะ เห็นเข้าไปแล้วนอกจากกินไม่ลงนะของที่ลงไปแล้วนี่จะออกเลยเนะนี่ยรสแต่ละคนมันก็ชอบไม่เหมือนกันรสที่หมากินกับรสที่เรากินอาจจะแตกต่างกันรสที่แมวชอบกับรสที่เราชอบอาจจะต่างกันงั้นชอบไม่ชอบเป็นเรื่องของจิตลิ้นกระทบรสท่านั้นเอง ตาหูจมูกลิ้นร่างกายกระทบอะไรตากระทบรูปได้หนึ่งชนิดคือสีหูกระทบรูปได้หนึ่งชนิดคือเสียงเสียงนี้ถือว่าเป็นรูปธรรมนะจมูกกระทบรูปได้หนึ่งอย่างคือกลิ่นลิ้นกระทบรูปได้หนึ่งอย่างคือรสนะรสเปรี้ยวรสหวานอะไรเนี้ยเมันเป็นการจําแนกระสที่กระทบ กายกระทบสัมผัสสิ่งที่สัมผัสกายมีสามอย่างธาตุดินธาตุไฟธาตุลมบางคนบอกทำไมน้ากระทบไม่ได้เอาน้ำมาราดอะไรเงี้ยไอ้น้ำที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่น้ำในความหมายของอาปโปธาตนะุอาปโปธาตุเนี่ยเป็นความสืมซ่านลักษณะที่สืมซ่าน ธาตุดินปฐวีธาตุเป็นลักษณะของความแข็งอย่างเหล็กเนี่ยมีความแข็งมากกว่าตะกัวนะ่ยมีธาตุดินมากกว่าตะกัวนะเหล็กแข็งกว่าน้ำนะน้ำมีธาตุดินน้อยนะในน้ำก็มีธาตุดินนะสิ่งที่กระทบร่างกายเราจริงๆนะ คือความเย็นความร้อนนี่คือธาตุไฟความอ่อนความแข็งนี่คือธาตุดินความตึงความไหวนี่คือธาตุลมความสืบซ่านดึงดูดให้รูปทั้งหลายเกาะกลุ่มกันอันนั้นคือตัวธาตุน้ำแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลตัวธาตุน้ำงั้นมันจะไม่ใช่ดินน้ำไฟลมอย่างที่เราเห็นอย่างนี้ แต่เวลาปฏิบัติจริงเนะี่ยไม่ต้องขนาดนั้นเวลาปฏิบัติธรรมะจริงๆนะอย่างเวลาพูดถึงธาตุดินอะไรเป็นธาตุดินบ้างผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกอะไรเงี้ยเนี่ยจัดเป็นกลุ่มธาตุดินอะไรเป็นธาตุน้ําน้ําลายน้ําเลือดน้ําหนองนะอะไรพวก น, นี้กลุ่มธาตุน้ำอันนั้นแยกแบบพระสูตรนะ ถ้าเราแยกธาตุอย่างที่หลวงพ่อพูดทีแรกเนี่ยแยกแบบอรพิธรรมแล้วแยกแบบไหนดีแยกอรพิธรรมเนี่ยประเทืองปัญญาแยกอย่างพระสูตรเนี่ยพลนถูกได้ถ้าเราเห็นว่าผมเนี่ยไม่ใช่ตัวเราของเรานะขนเล็บฟันหนังเนื้ อ, อนระดูไม่ใช่ตัวเราของเราดูไล่อยู่ในร่างกายเห็นทุกอย่างนอาการสามสสองภาษาโบราณ เดี๋ยวนี้หมอเก่งกว่าเขาแยกออกมามนุษย์นี่แยกได้เยอะแยะเลยไม่ใช่อาการสามสิบสองละนะมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นหมอปีหนึ่งนนเดินก็ท่องนั่งก็ท่องกินข้าวก็ท่องพอนะถึงเวลาฟังเลคเชอร์หลับเพราะว่าหมดแรงแนละ้วนะนี่เขาแยกร่างกายออกไปละเอียดยิบเลย สมัยโบราณแยกแค่อาการสามสิบสองตัวหลักๆถ้าแยกอาการสามสิบสองได้นะั้นก็จะเห็นแล้วทั้งตัวเนี้ไม่มีเราสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเรามีอะไรมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยถ้าเราดูแต่ละส่วนแต่ละส่วนไม่ใช่เรานะสุดท้ายทั้งตัวเนี้มันจะไม่ใช่เราการแยกผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่เรื่องเล่นๆ น, นะ พระพุทธเจ้ากำหนดเรื่องของอาบัตไว้อันหนึ่งถ้าอุปชาเนี่ยไม่สอนในขณะวันบวชนะไม่สอนลูกศิษย์ที่มาบวชนะให้พิจารณากายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนียอุปชาอาบัตบกพร่องนะวาันในเรื่องผมขนเล็บฟันหนังไม่ใช่เรื่องเล็กๆถ้าเรื่องเล็กๆพระพุทธเจ้าไม่กำหนดขนาดนั้นหรอก ทำไมมาเน้นในอาการสามสบสองกลับมาเน้นที่ผมขนเล็บฟันหนังลองพิจารณาดูผมเนี่ยเราตัดลูกเดือนใช่ไหมหรือเดี๋ยวซอยเดี๋ยวเซตเดี๋ยวอย่างโ น, น้นเดี๋ยวอย่างนี้ที่ก็ยอมย้อมไปย้อมมานะมีหลานคนหนึ่งไปย้อมผมหรือไงก็ไม่รู้แล้วมันแพนะ้สุดท้ายโกนผมเลยนะเราตัดผมอยู่เรื่อยๆนึกออกไหม ผมที่เราตัดออกมาแล้วเรารู้สึกไหมว่าเนี่ยตัวเราของเราตัดตัดแล้วเอามากินได้ไหมเอามาโรยข้าวนะสวยงามนะไม่สวยไม่งามเนะนี่ยดูเลยในร่างกายเรานะผมเนี่ยมันเป็นของหน้าเกลียดหน้าชังนะผมสวยยางงอนอย่างนี้พอตัดออกมาแล้วเนี่ยนะกลายเป็นส่วนเกินที่ไม่ต้องการแนะ้วขนนะ อย่างผู้ชายก็โกโนหนวดโกนเครานะผู้หญิงบางทีก็โกนคิ้วหลวงพ่อเคยเจอนะก็าโกนคิ้วนะแล้วเขไปสักคิ้วถาวรเคยเห็นไหมเขาสักคิ้วอะตอนนั้นกําลังหลงโลกไปสักคิ้วตามมามีดวงตาเห็นธรรมบังบวชนะเป็นแม่ชีแม่ชีเนี่ยนะมีคิ้วดําปุ๊บเลยนะเอาออกไม่ได้นะ ได้ไปสักใหม่สักสีเดียวกับเนื้อนี่ฝะบวนนันานไปนะถูกแดดถูกลมนะผิวจริงมันดำคิ้วขาวอีกแล้วเ็น่แท้เลยไม่รู้จะทำไงก็โนะปรงให้ตกอย่างขนคิ้วเนี่ยตัดออกมาหรือหนดวดเครากราออกมาแล้วเอาไปโรยข้าวจีน่ะมไหมไม่เอาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเล็บอะ เล็บเล็บมือเนี่ยตัดกันทุกอาทิตย์ใช่ไหมเล็บเท้าบางทีสองอาทิตย์ตัดทีหนึง่งตัดออกมาแล้วรู้สึกไหมเล็บเป็นตัวเราไม่รู้สึกหรอกผมวนเล็บฟันหนังฟันพัลุดออกมาแล้วเนี่ยเอาไปโรยข้าวกินไหม <c oughs> ไม่เอาสปกปรกคลื่นไส้ยิ่งถ้าฟันคนอื่นนะเห็นฟันเขาอยู่ในข้าวนะคลื่นไส้อย่าไปแตฟันเลย เวลาไปกินข้าวอ่ะล้วเห็นเส้นผมฮะรู้สึกไงในข้าวน่ากินดีไหมยังกับสาหายทะเลนะรู้สึกไหมไม่รู้สึกหรอกงั้นะในกายของเรานี้นะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนะผมขนเล็บฟันหนังอะไรเงีนะ้ยแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็ไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็สั้นๆเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็หลุดออกมาอนะไรเงี้ยฟัน ดูว่าสวยแหมฟันสวยเหลือเกินสุดท้ายฟันก็หลุดออกมาเนี่ยดูท่านสอนให้ดูอยู่ในกายนะผมวนเล็บฟันหนังอะไรเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ตัวเราของเรานะถ้าดูห้าอันนี้คล่องแล้วต่อไปไปดูส่วนอื่นมันก็จะเห็นเหมือนกันอย่างรวดเร็วเลยว่าไม่ใช่ตัวเราของเรานะร่างกายที่ยืนอยู่เนี่ยยืนเดินนั่งนอนอยู่เนี่ย เป็นกลุ่มของวัตถุมารวมกันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวถึงวันหนึ่งก็แตกสลายต้องคืนให้โลกไปเนะี่ยใจไม่ยอหมดความรักความหวงแหนในร่างกายนะร่างกายนี้ไม่ใช่ของดีของมิเศษเป็นของไม่ยั่งยืนนะร่างกายนี้ถ้ามองในมุมของความทุกข์ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นั่งนอนอยู่ก็ทุกขนะ์ทํำอะไรอยู่ก็ทุกข์ที่เรานั่งแล้วเราต้องขยับไปขยับมาเนี่ยเพราะเราทุกข์มันเมื่อยบิดไปบิดมานะี่ะมันเมื่อยเราต้องขยับต้องเคลื่อนไหวหเพื่อนหนีทุกข์อยู่ตลอดเวลานี่คนทั่วๆไปเนี่ยเวลาเกิดความทุกข์ในร่างกายขึ้นมาสติไม่ทันเราลึกรู้ก็เปลี่ยนอิริยาบทไปก่อน พอคันก็เก่าเลยนะไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์นะไปเก่าสั ก, ก่อนแล้วหายทุกข์ไปแล้วทีเกาจนเสร็จแล้วยังไม่รู้เลยว่าเกา่าใครเคยเป็นไหมเก่าไปแล้วไม่รู้ว่าเก่าหรอกนะเพื่อนมาว่าเธอดูไม่เรียบร้อยเลยเกา่ายุกยิกยุกยิกบอกฉันไม่ได้เก่าเลยนะเธอนี่ตอแหละนะเพื่อนบอกดีๆนะมันด่าเอาซิอีกนะเพราะอะไรมันไม่มีสติ มันไม่ะระลึกรู้ร่างกายของตัวเองมันไม่ะระลึกรู้จิตใจตัวเองเนี่ยคอยรู้ลงไปที่ร่างกายนะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่สวยไม่งามมีแต่ความทุกข์บีบคั้นเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาตั้งแต่หัวถึงเท้านี่เฝ้ารู้เฝ้าดูไปร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุที่มาประชุมกันมารวมกันชั่วครั้งชั่วคราวด้วยอานาจของกรรม อย่างเรามีกรรมพันธุ์ยีนเราเป็นอย่างเนี้ตัวที่กําหนดให้เรามาเกิดแล้วได้ยินอย่างนี้นะก็คือตัวกรรมของเราชนกกรรมนะกรรมของเราเองทําไมเราเกิดมาแหมสวยมากนะชนกกรรมของเรากําหนดว่าควรจะสวยละต่อไปนี้ก็เป็นเลือกที่เกิดนะจําแนกกรรมเป็นเครื่องจําแนกสัตว์ว่าจะเกิด สูงเกิดต่ำเกิดตีเกิดชั่วสวยไม่น่าเกลียดไหมกรรมเป็นตัวจำแนกนะโดยธรรมชาติมนุษย์ไม่เท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันเป็นอุดมคติเพอเพอในโลกนี้มนุษย์ไม่ได้เท่าเทียมกันหรอกจะเท่าเทียมกันยังไองไอย่างขนาดฟ้าแฝด น, นะพ่อแม่เลี้ยงเหมือนกันทุกอย่างเนีลยชีวิตมันยังไม่เท่าเทียมกันเลย เพราะมันมีกรรมเป็นตัวกาหนดทิศทางของตัวเองอยู่ในคนจำนวนมากก็ชอบเรียกร้องความเท่าเทียมนะอย่างคนขี้เกียจแล้วก็บ่นว่าไม่มีเงินอย่างเงี้ยทีนี้ทำไมฉันไม่รวยเหมือนคนอื่นอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันต้นทุนไม่เท่ากันต้นทุนมีสองส่วนนะต้นทุนในอดีต ต้นทุนในอดีตส่งทอดมาจากชาติก่อนแล้วก็การลงทุนในปัจจุบันอย่างเรามีต้นทุนในอดีตที่ดีเราเกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่ พ, พิการเรามีต้นทุนที่ดีแล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่แหละกรามเก่าของเราแะ่ะให้ผลมาเราได้สิ่งนี้มาคนที่มีต้นทุนที่ดีเท่าๆกับเราเนี่ย ส่วนหนึ่งไปก่อความทำชั่วนะส่วนหนึ่งเป็นคนดีธรรมดาธรรมดาส่วนหนึ่งสนใจการภาวนาการปฏิบัตินี่คือการลงทุนที่แตกต่างกันมีต้นทุนเหมือนเหมือกันนะสมมติถ้าเท่ากันนะมีต้นทุนเท่าๆกันนะได้เกิดเป็นคนเหมือนกันนะรูปร่างหน้าตาก็น่าเกลียดคลื อ, ค, อคือกันอย่างพวกเราเนี้ยการดูก็ไม่สวยไม่งามาคล้ายๆกันนะใครที่ว่าสวยบ้างจชี้ให้ดูว่ามันไม่สวยตรงไหนกล้าไหม หรวพ่อกล้าชี้นะเ <c oughs> นี่ยต้นทุนของเราใกล้เคียงกันนะมันถึงเกิดมาเป็นสัตว์สปีชีส์เดียวกันต้นทุนเราใกล้เคียงกันนะแล้วเราก็ยังมีบุญตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราปกติ <c oughs> เราลงทุนนะเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเป็นผลของกรรมเก่านีมาสร้างกรรมใหม่มาถือศีล ทำสมาธิมาภาวนาเนี่ยจิตใจเรายิ่งสว่างสวัยขึ้นเรื่อยๆนะสะสมทุนเอาไว้เกิดใต้ลงไปยังไม่บรรลุมรรคผลนะก็ไปสู่พระภูมิที่ดีขึ้นประนีตขึ้นเรื่อยๆมันเท่าเทียมกันในแง่ที่ว่าเราเลือกอนาคตตัวเองได้ แต่เมื่อเราเลือกแล้วสิ่งที่ได้มาไม่เท่ากันนะอันนั้นแหละเท่าเทียมนะยั้นยุติธรรมแล้วนะอย่างทำไมเราบางคนไม่มีเพื่อนเลยบางคนมีเพื่อนเยอะก็เพราะเราเป็นอย่างไรนะนะบางคนจะทำอะไรก็ใจแคบนะกระทั่งจะทาบุญนะกลัว ค, คนอื่นรู้เดี๋ยวมันม่แย่งบุญเราเนี่ยฉันกะเก่งไว้แล้วฉันจะต้องมาขอหลอพระประธานวัดสวนสันติธรรมนะ จะไม่ให้ใครรู้เลยมีมาขอนะบอกหนูเขารอเสร็จมาสิบปีแล้วนะแหมเสียดายอย่างเงี้ยบางคนจะทาบุญก็บอกคนอื่นด้วยนะบอกคนอื่นด้วยอยนี้ก็จะมีเพื่อนเยอะทำอะไรที่ดีๆก็บอกเขาคนที่ดีๆก็จะมาแวดล้อมเรานะเวลาทำชั่วเราก็บอกเขานะคนชั่วๆก็จะมาแวดล้อมเรา เป็นนะอย่างเราเป็นมหาโจร เ, เรแสดงความสันดานโจรออกมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวพวกสันดานโจรก็จะมาหาเรานะรวมกันเป็นกลุ่มโจร0นะ้าร้อยทำไมต้องห้าร้อยก็ไม่รู้นะรานั้นจริงๆแล้วมนุษย์เรานะมีทั้งสิ่งที่เท่าเทียมกันกับสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันสิ่งที่ไม่เท่าเทียมกันเนี่ย เพราะมันทำมาอย่างนั้นบางคนไม่โง่บางคนไม่มฉลาดทำไมไม่ไปประท้วงรัฐบาลว่าทำไมผมมันโง่นายกไม่ดีทำให้ผมโง่ถ้าหลวงพ่อเป็นนายกบอกพ่อแกและสินะีนะนะ่ส่วนนี้ไม่เท่ากันนะเพราะต้นทุนเดิมไม่เท่ากันส่วนที่เท่ากันเนะีย่ยองเราเป็นมนุษย์นี่ยเรามีโอกาสเลือก อนาคตของเราเองจะเลือกให้ดีขึ้นก็ได้ให้เลวลงก็ได้นะจะเลือกเพื่อพ้นจากมัฏฏะก็ได้เรามีอิสระที่จะเลือกคนจนอยากพ้นทุกได้ไหมอยากพ้นทุกก็ได้คนจนเจริญสติได้ไหมลูกศิษย์หลวงพ่อนะไม่ใช่มีแต่คนรวยนะส่วนใหญ่จนะบางคนนะนั่งขายของอยู่ตามปั๊ม น, น้ํามันอะไรเงี้ยก็มีนะ เปิดร้านขายของเล็กๆน้อยๆรถเข็นขายข้าวแกงอะไรเงี้ยมีเท่านั้นน่ะบางคนขี่ซาเล้งนะเก็บของเก่าขายเปิดซีดีหลวงพ่อไปด้วยนะมีนะเนี่ยเขากำลังเพิ่มต้นทุนให้ตัวเองนะทำกหไรที่ดีเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ในชีวิตเขาจะดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นยังไงรวยขึ้นไหมอาจจะไม่รวยขึ้นรวยเป็นเรื่องอีกเหตุหนึ่งนะ แต่ว่าเขาจะดีขึ้นในแง่ปัญญาเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาภาวนาถ้าเขาทำทานคนที่ทำทานได้เนี่ยมันรู้จักพอใช่ไหมมันถึงทำได้ถ้าคนหิวคนโลภเนี่ยไม่รู้จักพอเนี่ยมันให้ใครไม่ได้หรอกยกเว้นมันให้เพื่อลงทุนอย่างเราเห็นว่าผู้หญิงคนนี้สวยรวยเรากาทุ่มเลยทุ่มทุ่มทุ่มในสวนเราได้แต่งกับเขานะขอจดทะเบียนด้วยนะ เนี่ยผมยอมจดทะเบียนกับคุณเลยนะควาจริงจะเล่นสมบัติเขานี่นะอย่างนี้มันมันคือการลงทุนนี่เราค่อยๆฝึกตัวเองนะฝึกตัวเองทุกคนมีโอกาสละยังมาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันนะเห็นไมว่านั่งก็นั่งเก้าอี้พลาสติกเหมือนกันสำหรับคนที่นั่งพื้นไม่ไหวพวกที่นั่งพื้นไหวก็นั่งเสือเหมือนกัน จะดังมาจากไหนจะรวยมาจากไหนนะจะใหญ่มาจากไหนก็เหมือนเมือนกันให้โอกาสเท่าเทียมกันนะไม่มีหลวงนะพ่อพิเศษนะโอ้พิเศษไม่มนะีนี่เราได้สิ่งนี้จากครูบาอาจารย์เท่าเทียมกันแล้วนะเราเอาไปต่อยอดของเราตอนหลวงพ่อไปเรียนเนี่ครูบาอาจารย์ก็มีทีมมีเพื่อนไปเรียนด้วยกันนะแต่หลวงพ่อภาวนาไม่เลิกเพื่อนๆบางคนเลิก บางคนไม่เข้าวัดเลยเพลิดเพลินไปเลยมาถึงวันนี้ผ่านมาหลายหลายสิบปีนะมีความแตกต่างกันหลวงพ่อมีความสุขเยอะเลยนะขนาดเห็นหน้าพวกเราควรจะมีความทุกข์มากนะหลวพ่อก็ยังมีความสุขสารภาพตรงๆนะไว้เห็นพวกเราเนะ่เหมือนเห็นต้นไม้เห็นต้นไม้เห็นมีความรู้สึกเหมือนเรานั่งอยู่กลางทุ่ง อยู่บนทุ่งหญ้านะดูลงมาเมือนอยู่บนภูเขานอะมองลงมาเห็นต้นหมากรากไม้อะไรอย่างเงี้ยนะนะอยู่ตรงไหนมันก็มีความสุขนะค่อยๆฝึกไปคือถ้าเรารักอันหนึง่งเกลียดอันหนึ่งเรื่อยๆนะใจเราไม่มีความสุขอะ่ะเงั้นใจเรารักอะไรก็ค่อยรู้ใจเราเกลียดอะไรก็ค่อยรู้เรียนรู้ไปนะ สุขขึ้นมาก็รู้มันทุกข์ขึ้นมาก็รู้มันดีขึ้นมาก็รู้มันโลภเกรีดหลงขึ้นมาก็รู้รู้ไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะใจมันจะเป็นกลางใจมเป็นกลางคือไม่ยินดีไม่ยินรไล่สิ่งที่มองเห็นก็คือรูปเนี่ยเห็นรูปมีสีตัดกันะบางบางรูปก็กลมๆบางรูปก็ผอมๆหน่อยอะไรเงี้ยก็คือสี ฝึกเขานะคำสอนอย่างนี้มีเฉพาะในศาสนาพุทธนะที่อื่นไม่มีหรอกแล้วเรียนแล้วสิ่งที่ได้คือความพุนทุกข์ในเบื้องตน้นความดับสนิทแห่งทุก์ในเบื้องปลายนะต่อไปส่งกันบ้านาว่ามาพวกอยู่วัดน้ำมาาการค่ะนี่หมอรักษาเก่งนะนี่เส้นเริ่มดีขึ้นแล้ว เวลาปฏิบัติละค่ะมันข้างในมันเหมือนมีตัวตัวเจ้ากี้เจ้าการอะค่ะตัวนั้นเขาเรียกตัวเผือกต้องต้องทํำยังไงอะค่ะรู้ทันมันสิอย่าไปให้มันสั่งมันสั่งเราตันหามันสั่งนะให้ทําโน่นทํานี่อะไรเงี้ยจูจีจุกจิกรู้ทันมันเข้าไปดูมันเหมือนดูคนอื่นนะ ที่ฝึ อ, อยู่ใช้ได้นะการนมัส ก, การเจ้าค่ะก็ปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อนะคะแล้วก็มันมีปัญหาที่ว่าเวลาจิตมันชอบไหลลงต่ำค่ะแล้วก็จะทุกแล้วก็บางทีเนี้ยกำลังคิดคิดเรื่องธรรมะอยู่เนี่ยก็จะมีจิตอีกตัวแซงมากับตะโกนด่าดเราเสียเสียให้หายอะคะ่ะดูไปจิตไม่ใช่ตัวเราธรรมะก็ไม่ต้องไปคิดเอนะ ทรรมารู้สึกเอาแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าค่ะก็คือว่าไปปฏิบัติจะจะส่วนอยากจะชอบนั่งสมาธิก่อนนอนนะคะแล้วก็ทีนี้ตอนนั้นไปอยู่ที่โรงแรมอคะ่ะชั้นประมาณชั้นเจ็ดชั้นแปดนะคะนั่งนัๆอยู่แล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าจิตอะมันพยายามจะสั่งให้เรากระโดดกระโดดออกจากทางหน้าต่างนะคะ <c oughs> แล้วก็เลยจะทําให้กลัวแล้วก็ไม่กล้าปฏิบัติเวลาที่แบบไปอยู่ที่สูงๆเนี้ยคะ่ะ ตั้งสติไว้คือมันมีพวกมารนะนะมันจะแกล้งคนที่ภาวนาถูกภาวนาดีมันจะแกล้งเมื่อทีมันก็มาสกิดใจโดนใจขับรถอยู่บนทางด่วนนี้เดียมันบอกให้พุง่งลงล่างเลยเคยเป็นไหมนั่นแหละมารมันแกล้งนะเพราะว่าเราภาวนาดีเรากำลังจะพ้นจากอานาจของมันมันก็แกล้งวิธีก็คือรู้สึกตัวไว้ อ่านจิตอ่านใจตัวเองอย่าให้อารมณ์ความรู้สึกเท่าไหร่ครอบงำใจนะฝึกตัวเองฝึกมาได้ดีนะถ้าฝึกไม่ได้เรื่องมานไม่ยุ่งด้วยเลยไม่น่าใจว่าปล่อยมากไปแล้ว ม, มีวินัยไว้นะมีวินัยทุกวันต้องปฏิบัตบิเราต้องแก้อะไรไหมครับะมีแก้ เราบังคับมันตอนนี้เพราะว่าเราปล่อยเยอะเราก็ต้องบังคับเยอะมันสุดตรงปล่อยมากก็ต้องบังคับมากการนะมัสการจ้าค่ะไม่ทราบว่ายองวางจิตถูกหรือเปล่าคะอะไรนะยงวางจิตถูกหรือเปล่าคะไปวางมันทาไมล่ะวางไว้ที่จิตตั้งมันม่นไหมคะไม่ตั้งไ ม, ไม่ใช่วางที่ไหนนะจิตน่ะเกิดแบับทางทวารทั้งหก ไม่ต้องไปรักษาไว้ที่ใดที่หนึ่งหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ครับจิตอยู่ที่ไหนครับหลวงปู่บอกจิตไม่มีที่ตั้งอย่างขนณะนี้ยเวลาเราคิดจิตไปตั้งที่ไหนตั้งอยู่ที่ความคิดเวลาเราดูรูปจิตไปตั้งอยู่ที่ตาเี้ยนะจิตไปตั้งอยู่ที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายนี่เวลาเราพภาวนา เราก็ค่อยรู้ทันจิตใจตัวเองมันเคลื่อนไปแล้วมันจะกลับมามันไม่ได้อยู่ตรงไหนจิตอยู่ในกายแต่ไม่ได้อยู่ตรงจุดไหนในร่างกายนะี่มันเป็นแค่ความรู้สึกจิตเป็นตัวความรู้สึกนะรู้สึกไหมร่างกายถูกรู้สึกเนะีงั้นเราไม่ต้องไปตั้งความรู้สึกเอาไว้ตรงนั้นตั้งความรู้สึกเอาไว้ตรงนี้ถ้าตั้งอย่างนั้นจะได้สมถะ เช่นเราตั้งความรู้สึกไว้ที่ปลายจมูกลมกระทบที่จมูกเรารู้เนี่ยจิตจดจ่ออย่างเงี้ยสิ่งที่ได้คือสมถะธรรมฐานแต่ถ้าเราจะทํำมิปัสสนานะ่ะจิตเคลื่อนไปที่ตารู้ทันจิตเคลื่อนไปที่หูรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันทุกครั้งที่รู้ทันจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสังเกตไหมมันมีความรู้สึกตัวแทรกขึ้นมาเป็นช่วงๆตอนที่เผลอไปรู้ว่าเผลอปุ๊บจะรู้สึกตัวขึ้นมา ตัวนั้นแหละจิตตั้งมัน่นราั้นจิตตั้งมั่นไม่ใช่ตั้งหยุดอะไรนะเหนือสะดือสองนิ้วนะกลางลิ้นปีปลายจมูกอะไร่เงี้ยไม่ใช่อนั่นตั้งแบบสมถะนะตั้งมั่นอย่างวิปัสสนาก็คือเป็นความรู้สึกซึ่งไม่หลงไปไม่ไหลไปนะรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆไอตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหม ทันทีที่รู้ว่าจิตไหลไปคิดเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นอย่างเนี้ยนะไม่ได้ตั้งที่ไหนแต่มันก็คือจิตที่ไม่หลงไปนั่นแหละตอนนี้เป็นจิตที่บังคับเอาไว้ละรู้สึกไหมควบคุมแล้วมันจะแน่นๆถ้าแน่นนะแสดงว่าเป็นจิตที่สุดโตงไปข้างบังคับตอเ น, นี้จิตหลงไปคิดแล้วทราบไหมเห็นไหมตรงเนี้ยคือจิตตั้งมั่น ตรงที่รู้ว่าคิดปุ๊บจิตตั้งมั่นจะเกิดอัตโนมัตินะชั่วคราวเดี๋ยวหลงคิดใหม่จิตตั้งมั่นก็ดับเกิดจิตที่หลงไปคิดแทนพอสติะระลึกรู้ว่าจิตหลงไปคิดก็เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกงั้นจิตตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปก็ไม่เที่ยงเกิดดับเท่าเทียมกันเมื่อย่าไปรักษานะปล่อยให้มันทางานไปจะสอบถามหลวงพ่อว่าที่ผมปฏิบัติมานี่ ถูกต้องไหมครับถูกต้องปฏิบัติอีกนะถูกมันมีหลายระดับนะปริญญาตรีมก็ถูกนะปริญญาโทมก็ถูกปริญญาเอกมันก็ถูกนั้นงความถูกของเราก็ถูกแล้วล่ะแต่สะสมไปมันจะเด่งรู้ชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเข้าใจความเป็นจริงได้ชัดเจนขึ้นไม่ใช่รู้ชัดๆนะรู้ชัดๆนั้นสติมันแรง แต่เราเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตได้มากขึ้นมากขึ้นอย่างร่างกายเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่ไม่นานก็แตกสลายเคยรู้สึกไหมหลวงพ่อชอบไปงานศพนะใครชวนไปงานอย่างอื่นเนี่ยไม่สนใจแตงแต่เป็นโยมอะงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่บ้านมึงไม่ใช่บ้านกูอยากขึ้นก็ขึ้นไปสิชวนกูไปขึ้นเป mm hmm. ็ไหมเห็นไหม ในใจพูดอย่างนี้นะแต่ปากก็ไม่ว่างครับจะว่างได้ไงเดี๋ยวจะต้องธรรมานาปานาสติแล้วไปก็ไปกินเลี้ยงกินเหล้าไร้าสาระเนะี่ยงานที่ไปนะคืองานศพไม่ต้องเชิญอนะ่นะเวลาไปงานศพเนี่ยนะใจจะเบิกบานไปรดน้ำศพนั้นก็เบิกบานเนี่ยความจริงของชีวิต เหมือนไปชมสวนดอกไม้เลยไปเข้าป่าช้ามีความสุขสงบร่างกายเนี่ยเหมันเหมือนป่าช้าน่ะเป็นที่ฝังศพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกเอามาฝังไว้ทุวันทุกวันนะนเหมือนป่าช้าน่ะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของพิเศษเหรอกแล้วมันอยู่ได้ชั่วคราวไม่นานก็แตกสลาย คนที่เรารู้จักนั้นก็ตายไปเยอะแยะแล้ววะวันหนึ่งก็จะถึงชิวของเราบ้างนี่คอยสอนมันไปเรื่อยใจเราก็จะไม่ประมาทนะมจะรีบขุนกวายที่จะภาพนานขุนกวายที่จะสร้างคุณงามความดีนะไปฝึกต่อไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้มีเวลาสิบห้านาทีใครจะส่งกันบ้านขอที่จําเป็นจริงๆนะ น้ำสกานครับหลวงพ่อคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูไตลักครับแล้วก็เหมือนว่าจิตมันอยากหาพยานนะครับไตลักก็ไม่ได้เห็นบ่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าหลังๆก็คือจะเห็นว่าอะไรที่มันรู้อยู่แล้วมันก็ลุกมันอยู่แล้วแล้วก็มันก็รู้ครับอย่าเบื่อนะต้องทนดูแล้วดูอีกซ้าแล้วซ้าอีกนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะ แต่ตอนนี้ปัญญาลั้มไปนิดหนึ่งนะกลับมาทําความสงบไประยะระยะไปครับนะปัญญามันล้ําหน้าไปตอนเนี้ยดูออกไหมมันเหมือนสรุปไปเองเลยทั้ทงครับนั่นแหละปัญญามันล้ําแล้วนะกลับมาทําสมาธิเพิ่มขึ้นครับนะแบ่งเวลาเลยนะต้องทําทุกวันสมาธิครับถ้าเจริญปัญญารวดไปปัญญาลั้มหน้า พอเห็นอันนี้ไหวๆขึ้นมาเดี๋ยวก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับสรุปตลอดเวลาถ้าสรุปตลอดเวลาเนี่ยไม่ได้กินแะ้ะสมาธิไม่พอล้วดีไม่ดีกลายเป็นวิปัสสนูนะเพราะสมาธิไม่พอจะเพี้ยนไปเลยว่าอไอ้นี่ก็รู้ไอ้นี่ก็รู้รู้ไปหมดละเราะงั้นไม่ต้องปฏิบัติโดนกิเลสหลอกกันนั้นไปเพิ่มสมาธิขึ้นครับไม่ใช่ลดปัญญาลงนะครับอ้าว ห้ามพูดยาวนวส ก, การด้วยค่ะมาส่งห้ามลำพันธ์ด้วยมาส่งกันบ้านในรอบหนึ่งปีค่ะเออแล้วไงอ่ะคราที่แ<ส>ล้วหลวงพ่อบอกว่าฟุ้งไปงค่ะฟุ้งเออแล้ว<ห>ไงพุทโทแล้วดีขึ้นไหมดูออกไหมดูออกค่ะนั่นแหละมันดีขึ้นแล้วต่อไปก็พุโทโธต่อไปนะ แล้วก็ดูไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราตัวนะอย่างนี้เรื่อยๆไปนับวันก็จะแก่เท่าลงไปอะไรเงี้ยค่อยๆสอนมันนะไม่ประมาทมีสติระลึกรู้ความเป็นจริงของร่างกายพอรู้กายไปช่วงหนึ่งมันก็จะไปเห็นจิตใจก็ไประลึกรู้ความจริงของจิตใจ ความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นกัจิตเป็นของชั่วคราวนะค่อยๆระลึกไปแล้วก็อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธเนี่ยทำยืนพื้นไว้เลยนะแล้วการเดินปัญญาเนี่ยเราแทรกเข้ามานิดๆหน่อยๆพอเดินปัญญาล้ำไปนะไม่ได้ประโยชน์ออกได้แต่ความฟุง้งซ่านได้มานาอัตตากูเก่งกูรู้กูเหนือคนอื่นมันไม่ลดลากิเลส ถ้าศีลสมาธิปัญญาสมดุลนะมันล้างกิเลสได้กราบน้มัตการครับหลวงพอ่อผมมีปัญหาว่าพอนั่งสมาธิแล้วมันจะกดขม่มเพ่งอยู่ตลอดเลยแต่ช่วงมาฟังหลวงพ่อเนี่ยรู้สึกมันปลุกขอหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยครับที่มันเพ่งมันกดข่มนะเพราะมันอยากดี มันอยากรู้ตัวตลอดเวลาอยากปฏิบัติเนี่ยมันมีความอยากลำหน้าไปนะบงการพอมันอยากรู้ชัดๆมันก็ไปนั่งเฝ้านั่งจ้องไว้แจมันแน่นตอนนี้แน่นแล้วนี่ยังเบานะบางคนแน่นจนหน้าอกจะแตกเลยนะของโยมยังแน่นไม่มากเรียกแน่นพองอ้อ <laughs> ม ที่มันแน่นพองงามเพราะว่ามันลดความแน่นลงแล้วแต่ก่อนมันแน่นแรงกว่านี้นะถูกต้องเลยฮะถูกแน่นอนเพราะหลวงพ่อเคยเป็นคนที่จริงจังนะอะไรอะไรก็จริงจังไปทุกเรื่องนะพอลงมือปฏิบัติก็จริงจังอีกนะมันจะเครียดอยู่ในโลกเนี่ยเราจริงจังมากเราก็เครียดมากนะนี่เวลามาปฏิบัติธรรมจริงจังมากมก็แน่น นี่พอเรารู้ทันแล้วรู้ทันว่าแน่นก็ยังดีนะก็ค่อยๆคลายความตั้งใจลงสังเกตเอ้มันโลภมากนี่วะเห็นต้นทางว่ามันคือตัวโลภพอรู้ทันตัวโลภนี่นี่อยากแล้วอยากสงบแล้วอยากดีแล้วพอรู้ทันตัวโลภนะตัวโลภดับการบังคับการเพ่งก็ไม่มีเพราะไม่มีการเพ่งนะความแน่นก็ไม่มีมีกิเลส คือโลภมีกรรมคือการเพ่งมีวิบาก ค, คือแน่นเป็นทุกข์เนี่ยกิเลสกรรมวิบากนะเรียกว่าไตรวัดวัตตะสามข้อเนี่ยมันจะหมุนเวียนอยู่ทั้งวันมีกิเลสเกิดการกระทํากรรมนะเกิดผลของกรรมยากปฏิบตัติลงมือบังคับใจตัวเองนะบังคับกายบังคับใจได้รับวิบาก ค, ความอึดอัดความทุกข์ นะอยากปฏิบัติธรรมรู้ว่าอยากมีสติรู้ทันแล้วก็มีสติรู้ทันไม่ได้ทำด้วยอยากแนละ้วแต่พอมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปเนี่ยใจมันเป็นกุศลมันมีสติมันไม่ได้ทำเพราะอยากใจก็จะโปร่งเบาสบายมากขึ้นมากขึ้นทำเพราะอยากยังไงก็ทุกข์แต่ว่าโดยธรรมชาติทุกคนต้องอยากไว้ก่อน เรีนธรรมชาติอย่างนั้นผมต้องผ่อนคลายหลงใช่ไหมครับรู้ทันไปรู้ทันรู้ทันใจที่อยากดีถ้ารู้ทันใจที่อยากดีความอยากดีดับความจงใจมันก็ดับนี้พอมันสบายขึ้นมาก็ต้องระวังอีกละเดี๋ยวมันเพลินกับโลกนะมันจะสุดตง่งเพราะที่ผ่านมาเราข่มตัวเองมากพอเลิกข่มนะคราวนี้มันจะดีดกลับไปอีกข้างหนึ่งเลย เราต้องมีวินัยว่าถึงเวลาต้องปฏิบัติถึงเวลาต้องปฏิบัติตตนะจะได้ไม่ตึนไปไม่หย่อนไปดีเป็นคนจริงจังมันก็มีข้อดีนะบางคนไม่จริงจังพอนาบ้างหยุดบ้างไม่ได้กินหรอกสาธุครับกลับน้ำพรสกสารหลวงพ่อครับ อ, อยากอยากเรียนสอบถามหลวงพ่อคือมีสภาว ะ, ะมีสภาวะที่เหมือนกับจิตกับกายเนี่ย แยกกันอืพอแยกกันเสร็จป well ุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจิตเนี่ยกับความคิดเนี่ยมันคือคนละส่วนถูกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอพิจารณาจิตกับกายเนี่ยมันก็จะพิจารณากลับไปกลับมาระหว่างจิตระหว่างกายระหว่างจิตกับกายจิตกับกายแบบเนี้กลับไปกลับมาแต่มันคงสภาพอยู่ได้แค่ไม่นานอืและการกลับไปเข้าสู่สภาวะนี้อีกเนี่ยมันก็ทําไม่ค่อยได้ยาก อยากจะเรียนสอบถาวัดจะต้องปฏิบัติแบบไหในยังไงต่อครับต้องอย่ า, ยาอยากครับอยากหืออยากนะมันเป็นตัวสมูทยัยเป็นเหตุของทุกข์ไม่ได้ทำให้เกิดสติปัญญาอะไรนะรสิ่งที่เห็นที่รู้ที่เห็นน่ะมันรู้เห็นตอนที่ไม่ได้อยากนึกออกไหมแต่ว่าอยู่ๆจะบอกว่าอย่าอยากมันเป็นไปไม่ได้มันอยากไปก่อนนะแล้วก็จเจริญสติไปเรื่อยรู้กายรู้ใจไปเรื่อยนะ อย่าอยากเอาผลแต่ว่ายินดีพอใจที่ได้ทําเหตุเหตุก็คือคอยมีสติรู้กายรู้ใจไปหรือจิตมันหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้นี่ยทำเหตุไปเรื่อยๆเดี๋ยวความรู้ความเข้าใจมันก็เกิดเองนก็คือให้ให้ทําสภาวะนี้ใช่อย่าไปหวังผลการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราพึงพอใจที่ได้ทําเหตุเนี่ก็เรามีชันทะนะ เช่นเรามีความสุขมีความพอใจที่ทุวันได้ธรรมานาปนสตนะิเวลาที่เหลือจากการธรรมานาปนสติมีความสุขมีความพอใจที่ได้อ่านจิตตนเองเห็นมันทํางานอย่างนี้เรียกว่ามีฉันทะส่วนมีความโลภเป็นยังไงโลภเนี่ยขี้เกียจปฏิบัติแต่อยากได้ผลนะถ้าฉันทะเนี่ยนะพอใจที่ได้ทําเหตุผลเป็นยังไงเรื่องของมัน นะถ้าโลภล้วก็ขี้เกียจปฏิบตัติแต่อยากได้ผลมันจะกลับข้างกันงั้นที่เราอยากดูวันนะเห็นไหมเราอยากได้ผลนะไม่ทําเหตุถ้ามีฉันทะนะวิริยะจะเกิดเองอย่างหลวงพ่อนะทําสมาธิมาแต่เด็กทำไปอย่างนะั้นะยี่สิบสองปีไปเจอหลวงปู่ดูลทันสอนให้ดูจิตพอท่านสอนให้ดูจิตดูจิตตัวเองได้แล้วนะ ไม่มีฉันท้าที่จะดูสนุกอ่ะจิตเนี้อยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรทาไมเราไม่เคยรู้ไม่เคยเรียนเนี่ยมันพอใจที่ได้เรียนรู้เนี่ยตัวเนี้ยเรียกว่าฉันทะาพอใจที่ได้เรียนรู้ไม่ใช่จำใจเรียนอย่างเรียนหนังสือเหมือนกันนะบางคนพอใจที่ได้ความรู้นะตั้งใจเรียนนะียเพราะอยากได้ความรู้บางคนอยากได้ปริญญาไอ้นี่หวังผล ระหว่างเรียนเนี่ยทุกทรมานตลอดเลยเพราะไม่อยากเรียนขี้เกียติแต่อยากได้ปริน ญ, ญาอยากได้ผลเพราะฉะนั้นระหว่างโลภนะกัญชาเนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้าเรามีชันท้าวิริยะจะเกิดเองหลวงพ่อมีชันท้าพอใจที่จะดูจิตนันก็ขยันดูจิตวิริยะก็เกิดสมาธิเราก็จดจอ่อคอยเรียนรู้จิตตัวเองอยู่นั่นคือจิตตะนะ ใจมันก็เคล้าเคลีย ค, คล้ายครวนศึกษาความเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของจิตนั่นคือวิมังสามีฉันทาวิริยะจิตตาวิมังสานั่นคืออิทธิบาทนะงั้นหลวงพ่อภาวนาใช้เวลาไม่นานหลวงปู่บอกว่าภาวนาเป็นละนะในเวลาเจ็ดเดือนหลวงปู่ว่าภาวนาเป็นลเพราะมันมีฉันทะแต่ของคุณมันเจือโลภนะ อยากได้ผลเรนเคยเห็นอย่างนี้ทำไมวันนี้ไม่เห็นนะดิ้นใหญ่เลยยิ่งดิ้นยิ่งไม่เห็นนะมีมีทั้งพยายามเพ่งมีทั้งพยายามสร้างกรอบของรูปขึ้นมาแล้วก็บังเอิญว่าได้เปิดคลิปที่พระอาจารย์บรรยายเมื่อวันที่สิบห้ามกราปีห้าสิบห้าห้าห้าเรื่องรูปนามพอได้ฟังคลิปนั้นก็น้ำตาไหลออกมาเลยเราก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปผิด เป็นร้อยเป็นพันรอบแล้วก็เลยรีบมาหาพระอาจารย์ดีนะอนุโมทนาคลิปวิดีโออะไรที่หลวงพ่อเทศนะกระทั่งซีดีนะหลวงพ่อไม่ใช่เทศแบบจำจ ำ, จำมาเทศนะหลวงพ่อถ่ายทอดเรามาจากจิตจริงๆเลยมัไม่มีสคริปต์ในการเทศนะแล้วถ้าเราตั้งใจภาวนาจริงๆเวลาเราติดขัดอะไรขึ้นมาเนะ่ไปฟังเถอะเดี๋ยวก็เจอคําตอบนะไม่ใช่เรื่องอัศจร เพราะว่าคล้ายๆมันดึงดูดกันนะมันดึงดูดกันหมดเวลาซะแล้วละอยากตรวจอีกสักยี่สิบคนแต่ว่าจำเป็นต้องรักษาเวลาไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราโกรธอยากกลับบ้านลนะบางคนกลับช้าเมียก็ว่าเป็นนอกใจอะไรงยุ่งเชิญกลับบ้านใครอยากถามต่อนะวันนี้มีผู้ช่วยสอนหลายคนนะ